บทภาชณีติกะปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันใช้ในมือจี้ให้หัวเราะต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจใช้ในมือจี้ให้หัวเราะต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัำบันใช้ในมือจี้ให้หัวเราะต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎ ภิกษุใช้ของเนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอาบัติทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฏภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอาบัติทุกกฎ3ามภิกษุใช้กายจับต้องกายอนุปัสมบันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุใช้กายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ อนุปสัสมบันฑ์พิกษุส์สำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบัน์ต้องอบัตทุกกฎ